จิตใจเราก็เรียกนามมาทำธรรมะอยู่ที่กายที่ใจนี่เองคอยเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนะคอยสังเกตไปร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นทั้งวันร่างกายเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุจิตใจก็เป็นแต่ของไม่เที่ยงคอยดูไปเรื่อยร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุร่างกายมีความทุกข์บีบคั้นอย่างเรานั่งให้สบายนะนั่งสบายๆนั่งสักพักหนึ่งมันปวดมันเมื่อยลนะ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 มีแต่จะดิ้นดิ้นดิ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหรเรามีปัญญานะเห็นกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยถึงจะยอมปล่อยวางถ้ายังมีทางเลือกี่มันจะเลือกสุขจะเลือกสุกจะหนีทุกข์ไปเรื่อยๆนี่พี่แอ๊ดเนียยองไว้นี่มานั่งได้ค่อยๆขึ้นมาข้างหน้าว่างข้างหลังแน่นล้อนออกไปแล้วนี่หลวงพ่อกําลังจะต้องย้ายแล้วนะที่นี่ไม่พอให้โยมมาฟัง กำลังย้ายจะย้ายไปอยู่ศรีราชานะใกล้ๆสวนเสือเดีย๋ยวตอนที่นี่อีกสามวันสามวันแล้วก็ปิดละนะตอนนี้ทางนน้นยังสร้างไม่เสร็จกานะลังรีบสร้างทั้งวันทั้งคืนนะรีบสร้างหลายคนในห้องนี้ก็ไปช่วยกันสร้างนะคุณแปม่คุณดาวอะไรคุณเอ๋ปฏิเวทไปแล้ว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 การปฏิบัติมีจริงๆมีนิดเดียวนะนิดเดียวบางคนแล้วมาเสียงกันนะจะเริ่มยังไงมีสายโน้นสายนี้ะยังมีสายๆนี่ยังไม่ใช่ของแท้หรอกเพราะาจริงๆนะไม่ว่าจะฝึกวิธีใดถ้าทําถูกต้องสติอย่างเดียวกันจะเกิดขึ้ น, นสัมมาสมาธิอย่างเดียวกันก็เกิดขึ้นปัญญาเดียวกันจะเกิดขึ้นเช่นเราหัดดูท้องของยุบไป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 เราอย่าไปวาดภาพนะว่าพระอรหันต์คือคนที่สามารถฝึ ก, กจิตให้สุขถาวรได้คําว่าถาวรขัดกับคําว่านิจจานะคำว่าสุขขัดกับคําว่าทุกข์นะคําว่าฝึกได้บังคับได้ขัดกับคําว่านัตตาให้เราคอยมีสติไปเรื่อยๆเนี๋ยก็จะเห็นใจรักนะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไปนัตตาเราปล่อยวางพ้นทุกข์เพราะปล่อยวา ง, วางไม่ให้พ้นทุกข์เพราะบังคับได้อเดี๋ยวเบรกหน่อย ตรวจกันบ้านหน่อยเดี๋ยวจะซึมเกินไปนะต้องกินข้าวเอา้าหมออติส่งกันบ้า น, นาอะไรนะเห น, นือแล้วจะแล้วทําการบ้านบ้างหรือเปล่าจิตขนาดนี้เป็นไงหมออติอ่าตอบถูกใช้ได้ไม่ซึมอย่างเดียวนะประคองไว้ด้วยนะ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 เรียนอพิธรรมแล้วนี่ใช่ไหมหลุดพ้นด้วยการเห็นทุกข์เรียกอับปันนิชิตาวิโมกหลุดพ้นด้วยการเห็นอนัตตาเรียกสุญญาตาวิโมกเพรานะฉะนั้นเห็นอันเดียวนะไตรลักณ์ไม่ใช่ต้องดูทั้งสามันหรอกมันจะเด่นอันเดียวแล้วก็กว้างตรงนั้นเลยนะอย่าบางคนเริ่มต้นดูจิตใจเห็นแต่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะนะเวลาที่มันจะตัดสินความรู้บางทีเห็นอนัตตาเออไม่ใช่ตัวเราเนี่ย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 ตัวจิตผู้รู้แม้มันสว่างของใสมีแต่ความสุขล้วนๆเลยนะดูไปดูไปฉับพลันมันกลายเป็นทุกข์ล้วนๆให้ดูทุกข์ทุกข์ทุ ก, ทกไม่มีอะไรเหมือนนะโอ้จิตนี้ทุกข์ล้วนๆไม่ใช่จิตนี้สุขทุกข์บ้างสุขบ้างนแล้วปล่อยวางบางคนก็โอ้จิตนี้ไม่ใช่เราเราก็ว่างทิ้งเลยแต่ละคนไม่เหมือนกันหกเห็นนั่นได้อันหนึ่งแต่รวมท้ายข้อความก็คือปล่อยวางได้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 ยังเดินจงกรมไหมจิตค่าวนี้กับเขาก่อนต่างกันยังไงเออข่านี้แยก่กว่าข่าก่อนแต่รู้ทันแบ น, นี้นดีแล้ไปเดินขบวนเยอะละมัง่งเออตามข่าวการเมืองมากมาก็ากาเป็นโลกนี้แหละเป็นทุกคนฮะเป็นโลกโทสะกําเริบนะดูแล้วเกิดโทสนะอโทสะทุกฝ่ายเลยนะเออ ฝ่ายที่ต่อต้านก็มีโทสะฝ่ายสนับสนุนก็มีโทสะนะน่าสงสารมากคุณแต้มเป็นไงประคองไหมตอนนี้ยังประคองอยู่ประคองอยู่นิดนึ่งเอาดาวเป็นไงอะไรนะอ้าตับถูกใช่ได้สอบผ่านนะ่ะจิตไม่ดีรู้ว่าไม่ดีสอบผ่านนะ สำนักหลวงพ่อไม่เหมือนที่อื่นนะที่อื่นต้องดีถึงจะผ่านของหลวงพ่อไม่ดีรู้ว่าไม่ดีสับผ่านละมันไม่จำเป็นต้องดีหรอกดีมันก็ไม่เที่ยงแต่ว่าอย่าชั่วกันแล้วกันนะคุณเด๋ใช่ไหม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 ไม่ใช่ไม่ใช่จัดการได้แล้วดีใจนั่นอย่างโลกโลกแล้วนะเกลียดสมมติเกลียดนายกจัดการได้แล้วดีใจไม่ใช่กรรมฐานนะอย่างนั้นคนละเรื่องกันเลยนะจัดการได้ไม่ได้นะจัดการไม่ได้เนะ <c oughs> อาคุณจัตทรเป็นไงอะไรนะเออดีสนใจมีความสนใจคือมีฉันทะ มีฉันทาและ ว, วิริยะเกิดเองขยันดนะูจิตใจก็ตั้งมั่นจดจ่อเรียกมีจิตตะนะวันวันไม่คิดเรื่องอื่นนะไม่คิดหลอกการเมืองการเมืองอะไรสนใจศึกษาจิตใจตัวเองนะเป็นวิมังสาไข่ครวนนะมีฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาเรียกประสบความสําเร็จง่ายเเรียกว่ามีอิทธิบาทสี่ทำให้สําเร็จดีละดีละจันจุนนะจันจุนจันจุนเป็นไงบ้าง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 ดูไปเรื่อยมันยังเกินธรรมดา น, นิดหนึง่งดวอไหมเราจงใจประคองไนนงนะง ว, าางวไงไ้นิดหนึ่งนะก็หลวพอแล้วกไปก็ูรได้เรขึ้นันะอดีแล้วอหหวมก็ทิ้งขีไเื่อยไม่มันเบาแล้วเบาแล้วก็เบาดีแล้วที่เดินอ ย, อยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วจิตนะนะเดินอยู่อย่างนี้ถูกต้องแล้ว คุณเขียดกล้องเห็นไหมอย่าไปประคองไห้ยังประคองอยู่หน่อยเป็นไ ง, นงไไเออรู้ไปด้วยมันเกล่งนิดนึงดูออกนะนี่สอนนี้เป็นไง บางทีมันทำเละมันก็ช้าก็ไม่ได้รู้สึกแต่ว่าพอมีแต่ละหลวงพ่อก็รู้สึกว่าใจกเปรี๋งประกอ่บดีที่รู้ใช้ได้ละคือ น, นี้ละ่ะมันไม่รู้สึกตัวเลยใจมันปรุงแต่งไป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 วิธีที่จะทําให้ใจตื่นขึ้นมานะก็คือรู้ทันว่ามันหลงไปคิดแล้วอย่างตอนเนี้ยมันหลงไปคิดแล้วทราบไหมเ <c oughs> นี่ยแค่รู้ทันก็จะตื่นแต่ไ่ตื่นได้แว บ, บเดียวนะแั้วก็จะหลงใหม่ถ้าไม่ไปหลงไปคิดใหม่ก็ไปประคองไว้มีสองอย่างเนี่ยตอนเนี้กลับมาบังคับตัวเองแล้วทราบไหมเนี่ย <c oughs> มันจะเบี่ยงอย่างเนี้ยนะไม่หลงไปก็มาบังคับไว้ะ <c oughs> อะดี เอ อ, อพยายามรูนะ้ใหญ่แต่ว่าไม่ต้องพยายามนะไม่ต้องพยายามนะดูไปเรืยก็เลยดูรู้กันได้ได้รู้ดีขึ้นเยอะแต่ว่ายังประกองไว้นิดหนึ่งนะรู้สึกไหมตอนเนี้ยมันเกรงอะ่ะให้รู้ทันนะมาอยู่ใกล้หลวงพ่อแนละ้วมันเกรงโรคนี้ระบาดเหมือนเหมือนกันอ เ, เออนะเกงรเกงรู้ว่าเกรงคนท่านเคยมาเรียนไหม เคยฝึกมาแบบไหนดูท้องของยุบเปล่าหรือยังไงเคยฝึกไหมฝึกมายังไงล่ะแล้วรู้ลมหายใจรู้ไปเรื่อยนะการรู้ลมหายใจทำได้หลายแบบพวกหนึ่งนั่งหายใจนะแล้วก็เคลิมงองแงงองแงพวกนี้ไม่ได้เรื่องเลยเนะช่นนั่งหายใจไปแล้วเปิดเทปไปด้วยนะแล้วก็เคลิมลืมตัวไปนะ ปะเทมหมดหม้วนตื่นขึ้นมาโอ้สดชื่นวันนี้ภาวนาดีนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยขาดสติอย่างที่สองนั่งหายใจไปแล้วก็ใจเราไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่กับลมหายใจอย่างนี้เป็นสมถะใจไปเกาะไว้นิ่งๆหายใจอีกอย่างหนึ่งหายใจเพื่อให้เกิดสติหายใจแล้วหัดรู้สภาวะไปนะเช่นเราหายใจไปจิตเราหนีไปคิดก็รู้จิตเราไปเพ่งที่ลมหายใจก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิตเกิดกุศลอกุศลค่ อ, คคอยรู้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 ต้องพยายามฝึกจนสามารถเจริญสติในชีวิตประจําวันไดนะ้ถ้าเราทําได้เฉพาะตอนนั่งสมาธิหรือตอนเข้าคอร์สนี่น้อยเกินไปเพราะวันวันหนึ่งเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่กับโลกธรรมดาอย่างนี้เยอะนะเวลาส่วนใหญ่เราอยู่กับโลกธรรมดานี่เองแล้วเราต้องเจริญสติในชีวิตประจําวันให้ได้นะก็คือทํายังไงสติจะเกิดได้ทั้งวันนะเกิดได้บ่อยๆนะหัดรู้สภาวะไปแล้วสติจะเกิดบ่อยนะ ทุกวันนะไหว้พระตรวจมนนั่งสมาธิเดินจงกรมเคยปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติไม่ละเลยการทำตามรูปแบบเป็นเครื่องช่วยนะทำให้จิตใจเราเข้มแข็งงั้นทุกวันเราก็ทำตามรูปแบบนะเคยดูท้องของยุบก็ดูไปนะแต่ดูเพื่อให้เห็นสภาวะเช่นใจหนีไปก็รู้ใจไปเพงก็รู้ไม่ได้ไปดูนิ่งๆเพ่งๆไม่เฉยๆนะเนี่ยเคยทายัางไงก็ทาไปแล้วก็หัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆเคยพุโทโธก็พุโทโธไปรู้สภาวะไป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 ถ้าเราเคยหัดดูมาะเราเคยหัดดูมาแล้วเช่นหัดหายใจหรือดูท้องของยุบแล้วก็รู้ถันใจของตัวเองรู้ถ่านสภาวะจิตจําสภาวะได้แล้วต่อไปสติจะเกิดเองเห็นสติเห็นหมาบ้าวิ่งมานี่ความกลัวพุ่งขึ้นมารู้ว่ากลัวแล้วก็หาทางหนีนะไม่ใช่กลัวแล้วอุบเบกขานะไม่ฉลาดกลัวแล้วให้หมากัดไม่ฉลาดนก็หลบหลีกไปหัดอย่างนี้แล้วเราจะสามารถจเจริญสติในชีวิตประจำวันได้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 เมื่อมันไปรู้เรื่องงานไปรู้เรื่องที่คิดเสแล้วมันรู้กายรู้ใจไม่ได้นี่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะแต่ถ้าเราเคยหัดดูสภาวะมาชํานาญนะอย่างเราทํางานไปทํางานไปมีโทรศัพท์กลิ้งมากวนเราเราอยากรีบทํางานโทรศัพท์มากวนเราโมโหแนะ้วนะสติจะระลึกเองว่าอ้อโมโหแนละ้วนะมันจะระลึกขึ้นมาได้เองเลยนะความโมโหจะขาดสะบั้นไปตรงนั้นเลยนะหรือเราทํางานไปนะไปพรีเซนต์งานคนชมนะใจเราพองเลย สติรู้เลยว่าใจผ่องนะงั้นเวลาที่ทำงานเนี่ยต้องตั้งใจคิดเรื่องงานไม่ใช่เวลาจเจริญสตินะแต่เพราะถ้ากิเลสเกิดหรือสิ่งแปลปลอมอะไรเกิดขึ้นมาสติจะเกิดขึ้นมาเองนะนี่เรียกว่าเราสามารถฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันได้หลวงพ่อไม่ได้ฝึกอะไรยากเลยนะฝึกสมัยก่อนไปหาหลวงปู่ดูลย3สามกุมพาสองห้าไปหาหลวงปู่ดูลนะักสันบอกให้ดูจิตตัวเอง ลบบมารับราชการนะก็ดูจิตตัวเองนะดูตั้งแต่ตื่นนอนเลยวันนี้ตื่นนอนนึกได้ว่าวันนี้วันจันใจแห้งแรงรู้ว่าใจแห้งแรงวันนี้ตื่นมานึกได้ว่าวันศุกร์นะใจสดชื่นเลยรู้ว่าสดชื่นนึกได้ว่าวันนี้หัวหน้ากองไม่มาด้วยสดชื่นสองเท่านี่รู้ไปไปอาบน้ำสมมติว่าหน้าหนาวเห็นตุ่มน้ำในใจสยองรู้ว่าสยองเห็นไหม ไม่ใช่เห็นตุ่มน้ําก็สักแต่ว่าเห็นนะทําใจทื่อๆไม่ใช่นะอย่าไปแกล้งทําใจให้ทื่อๆปล่อยให้จิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของมันนะเห็นร่างกายมันทํางานไปเห็นจิตใจมันทํางานไปนะค่อยรู้ค่อยเข้าใจไปนะกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นรูปธรรมอันหนึ่งจิตไม่ใช่ตัวเราเป็นนามธรรมาอันหนึ่งนะกายนี้เป็นรูปธรรมที่มีความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลานะทุกข์มากกับทุกข์น้อย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 รู้ความเป็นไตรลักษณ์ไปใครฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องกลุ่มใจรู้ว่ากลุ่มใจใช้ได้แล้วนะอะ่ง่ายขนาดนี้เนะี่ยฟังรู้เรื่องแล้วดีใจโอ๊ยมีความสุขปื้มแล้วไม่รู้ว่ากําลังปลื้มอยู่ใช้ไม่ได้เลยนะใช้ไม่ได้บางคนมาเรียนกับหลวงพ่อนะมาแล้วตาลอยมีความสุขถามกี่ครั้งกี่ครั้งมีความสุขสุขหลายๆลาทีต้องพุ่งออก จะสุขอะไรนักหนานะในโลกนี้มันจะหาความสุขอะไรนักหนาไม่ใช่ของจริงความทุกข์ถ้าหาของจริงแต่รู้ทุกข์แล้วจิตใจวางนะแล้วมีความสุขที่สุดเลยนั่นมันตลาดมากนะอยากได้ความสุขแตะกายหาความสุขนะหาทั้งชาติไม่ได้นะเออแต่พอรู้ว่ากายนี้ใจนี้ทุกข์ล้วนๆ ว, ว, วางไปได้ก็มีความสุขที่อัศจรรย์ที่สุดเลยความสุขคงที่เลยนะ ทั้งวันทั้งคืนมีแต่ความสุขล้วนๆเลยเอาใครจะส่งกันบ้านอีกเชิญมาเยอะนะดูไม่ทั่วถึงหรอกมีไหมมีไหมอา้าวโยโยเป็นไงรอบนี้ดีอดีก็ดีสิจะไม่ต้องหน้าจะดีนะนี่พูดแบบนักการเมืองพูดแบบนักนนนาการทูตเหือการทูตคราวนี้ดี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 แั้มีสติขึ้นมาหัดรู้สภาวะไปรับสติเกิดเองโยรู้สึกไหมช่วงนี้สติเกิดเองเออนั่นแหละสติเกิดเองนะสติตัวจริงสติกแกล้งทําให้เกิดนะของปลอมจะหนักหนั ก, น ก, นกแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึมทื่อๆนะของปลอมะจิตที่หนักที่แน่นที่แข็งที่ซึมที่ทื่อมันอกุศลจิตจิตที่เป็นมหาอกุศลจิตมันเบามันอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่น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 งั้นหลุดพ้นเพราะว่าปัญญามันแจ้งนะตัวศาสนาพุทธแท้ๆก็คือตัวสัมมาทิฏฐินี่เองนะตัวปัญญาสัมมาทิฐินี่รู้ความจริงของกายของใจระหว่างเม้่สติต้องเกิดเองนะตอนนโยสติเกิดเองใช้ได้นะแต่ก็เสื่อมได้นะเพราะยังเป็นโลกีธรรมอยู่สมพงไม่มาด้วยวันนี้เหรอสมพงอยู่ไหนไหนแสดงตัวหน่อยโอ้อยู่น่นเลย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 ดีแล้วนะจิต ท, ที่เดินอยู่ช่วงนี้ใช้ได้แล้วนะรู้สึกไมมสติไม่ค่อยเกิดเองแล้วใช่รู้ลงปัจจุบันไปด้วยอ่ะ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 อ้าอูนามารามาเมื่อไหร่ขิมส่งกันบ้านกระโดดออกมาไปดึงเหมือนป่ะเออไม่ดึงนะให้รู้เฉยๆเข้าไปเกาะอยู่ข้างในรู้ทันมันมันก็คคลายออกมาแต่ถ้าจงใจดึงอย่างเครียดจะเหนื่อยนะ ให้รู้ตามที่มันเป็นรู้กายรู้ใจนะรู้ตัวสภาวะตามที่เขาเป็นไม่ใช่เข้าไปแทรกแซงนะรู้ซื่อๆอย่างจิตเราไหลเข้าไปเกาะ อ, อยู่ข้างในเราก็รู้ทันนะจิตเคลื่อนออกมาเราก็รู้ทันนะจะเห็นเลยจิตมันทางานตรงมันเองไม่ใช่ตัวเรานะคุณอมรมดาเป็นไงบ้า ง, งาโอ้ดีนะดีดูไปอย่าไปช่วยมันแต่งนะ นักปฏิบัติมีหน้าที่รู้ทันความปรุงแต่งไม่ใช่ไปช่วยมันแต่งซะเองเช่นะ Gen จิตไม่สงบแต่งให้สงบเนี่ยจิตไม่ดีแต่งให้ดีนะดีแล้วสงบแล้วแต่งการรักษารักษาไว้หรือแต่งการประคองนะแต่งการสร้างพบภายในแล้วเข้าไปอยู่ในนั้นลืนะ่แต่งขึ้นมาได้หลายแบบหนูนาเป็นไงเมืมม่ อ, อไหร่มันจะรู้เนาะ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 แต่บางครั้งพอไปดูวับขาดวับขาดวับขาดวับเลยนะเนี่ยสติจริงๆมันเกิดแจมเป็นกลางนะแจ่มจะเป็นกลางกลางหนูนาเฮ้ไม่ใช่นกนกเออแล้ววันนี้เห็นมัวไหมอ่าตับถูกใช้ได้แล้วนะเออดีอ่ะพู่ น, นี้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 นะอย่าจงใจทํานะรู้สึกรู้สึกสบายๆรู้สึกไปอาม่าเป็นไงพุโทโธอยู่ไหมเออพุโทโธไปเรื่อยๆนะพุโทโธแล้วหัดดูใจไปนะพุโทโธอย่างเดียวก็ได้สมถะได้ความสงบ ก, ก็ยังดีดีกว่าไม่ได้เลยนะพุโทโธพุโทโธไปแต่ใจลอยไปคิดถึงลูกแลรู้ทันนะหนีทั้งวันนะเดี๋ยวคิดถึงลูกเดี๋ยวก็คิดถึงหลานนะลืมคิดถึงตัวเอง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 ขัดใจเล็กๆนี่ต้องชักดูยากขัดใจเล็กๆนี่ดูยากนะเช่นยกตัวอย่างสมมติเรานั่งอยู่ในห้องเนี้ยเราเดินออกจากห้องเปิดประตูปั๊บนึงแสงแดดกระทบเปลือกตาเนี่ยถ้าดูว่องไวนะจะเห็นเลยโทสะเกิดละลำคาญความลำคาญใจเกิดเราเดินเดินอยู่กลางแจ้งเห็นต้นไม้อยู่นั่นนะดีใจละความดีใจแวบเข้ามาละนี่เราก็ค่อยดูเอา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 เราปฏิบัติเหมือนธรมนรมะนะธรรมะลึกซึ้งอย่างเราเข้าใจบางอย่างเราเข้าใจขึ้นมา <mycket> ก็เรียกว่าเราก็เข้าใจธรรมะเหมือนกันแต่ธรรมะลึกซึ้งเข้าใจเป็นขั้นขั้นไปอย่างแต่เดิมเราเห็นว่าเออทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับ s, ก็เข้าใจถูกเหมือนกันสิ่งไหนเกิดสิ่งนั้นก็ดับได้ก็เข้าใจถูกต่อมามีปัญญามากขึ้นอีกเราเห็นว่าถ้าใจเราตั้งมั่นอยู่นะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ถ้าใจไหลเข้าไปยึดอารมณ์ใจมีความอยากจะทุกข์มาก อันนี้ก็ถูกเหมือนกันแต่ไม่ถูกเต็มที่หรอกถ้าถูกเต็มที่เห็นเลยทั้งกายทั้งใจนี้ทุกล้วนล้วนนะมีแต่ทุกมากกับทุกน้อยถ้าทุกล้วนล้วนจะถึงจะยอมปล่อยเไม่ว่าเราเข้าใจอริยศาสตร์เต็มที่แล้วรู้ทุกแจ่มแจ้งนะสมุทยยัยสุกละโดยอัตโนมัตินิโรธก็จะแจ้งขึ้นมายิบมีอะไรอีกไหมอย่าไปปักกองไว้เนาะ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 ช่วยไม่ได้จิตมัยจะต้องเปอย่านเองจิตจะไม่มีถูกหรอกอย่าไปกลัวว่าทาไม่ถูกเลยถ้ายัางไงก็ไม่ถูกมันผิดแล้วรู้ผิดแล้วรู้ไปเรืยแล้วมันถูกเอง ม, อมีสติแล้วเราจะรู้ได้ไงคะตอนไหนมันมีสติยังยั ง, ยงไม่ไหวว่าสติหัดดูไปก่อนไม่ใช่คืออยากรู้สติมันเป็นรู้ไม่ว่าอยากรู้นั่นแหละตัวที่เป็นรู้ทันตัวเองนั่นแหละเรียกว่าสติ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 อยากนึงคือเนี่ยอกุศลเกิดแล้วให้รู้ทันว่าอยากดึงเนี่ยสติเกิดอีกแล้วได้กุศลอีกแล้วรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆแค่รู้ไปเรื่อยรู้ตามหลังไปเรื่อยตามติดติดติดไปเรื่อยไม่เป็นไรดีที่เห็นโมหะดูยากที่งงสุ ด, ดว่าไงนะขอเสียงบอกดีดีแล้วขอเสียงบอกอะไรนะขอเสียงบอกค่ะ เป็นไงบอกผิดขนาดนี้ค่ะนะว่าจะทำยังไงต่อไปขออะไรเนีเสียงบอกนะฮะบอกทางอะค่ะเสียงอะไรใช้ท่านบอกว่าอ๋อแม้ใช้ภาษาแปลกไปหนึ่งเลือกขอเสียงคล้ายๆหาเสียงเรื่องตั้ง <S <S 2> <S 2> <S 2> อย่าไปบงังคับมันก็แล้วกันฮะตอนนี้ประคองไว้นิดหนึ่งนี่ใช้ได้แลดะดูไปเรอย่ เลยแบบว่าสติเขาลงไปอยู่ในคุสนะคพอดเลือถึลลอองเ น, นี่ยเขาขาสะบ้าใจที่ใใเบิกมามันช่วด้<อ>าทันทีทัดได้หายไป<อ>โดยับพลั<อ><อ>ได้แล้วห ล, ลุดลือถึงมอไหลคือจริงๆถ้าสติตัวจริงเกิดนะความทุกข์ทางใจงจะมีไม่ได้ความทุกข์ทางใจเกิดตอนขาดสติอสติเกิดนอาคุสนับความทุกข์ดับทันที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 เออที่ทำอยู่ถูกแล้วนะาทปอะไรเกินเกินมานะรู้ไปอย่างที่มันเป็นนักปฏิบัติชอบทำเกินค่ะอาจารย์คือเมื่อเมื่อวันสุดท้ายที่งานเก่าบอกว่าพอพ่อพาลจะดงสออนี้เมื่อข้างนอกมันรุกว่าที่ที่จะไปเี่พอเรือน่าเนี่ยจิตมันก็วาเสืออยูแต่มันก็รู้สึกรกัเล็กๆที่ว่าเรากบบ ม, มันไม่ค่อยตามหลัไม่ใช่งที่เราใ่เงก็ิดอาคุยอะไรทอย่างน้บ้างอะไรเนี้ยตนี่ก็จะต้องไปอีกเพราะว่าลูกบอกว่าแค่อยู่ปีหนึ่งจะไปก็ไม่ได้ก็ต้องไปอีเราไปเราก็ทาของเราไปเป็นสติไปรูปแบบไม่สำคัญหรอกเขาเดินเราก็เดินแต่ว่าเราเดินมีสตินะเขาเดินเพ่งเขาก็ได้สมถะไปแค่องเวลาเลย เรียลําำบากเลยเยนี่ยถกาปัญหาได้ก็อ ย, ย่างก็เลยไปอยู่ที่แั่นทมันคือข้างนอกมันคูอกว่ามันก็เลยติดมันก็ไม่ใด้ได้ใเ น, นี่ยดีแล้วดีและดีละแดล้วนะดีละแล้วแ่งมันก็วางตอนที่เรารู้สึกตัวขึ้นมานะคะแล้วลงจำเป็นไหมาจะต้องรู้ว่าขณะที่ทไไม่จาเป็นหรอ เหลอไปแล้วก็รู้ว่าเมื่อกี้เหลือไปแค่นี้ก็พอละอะไรก็ได้รู้กายก็ได้รู้ใจก็ได้ไม่จำเป็นไม่จำเป็นรู้อาการว่าขณะนี้ทำอะไรอยูไม่จำเป็นะนะรู้กายก็ได้รู้ใจก็ได้มันรู้ได้ครั้งได้อย่างเดียวถ้ามันไปรู้ใจมันก็ไม่รู้กายมันรู้กายมันก็ไม่รู้ใจมันเลือกไม่ได้ ไม่สบายใจมันก็อารมณ์จะหมองอะไรแบบเวลาเราเกิดเวทนานะคะแล้วอย่างนี้นี่เราเราจะตัวอะไรคือมันมันก็จะรู้สึกแบบเซ็งไปหมดมให้รู้ที่เสซ็งอ่ะกิเลสเกิดนะตัวเซ็งนะั่นแหละตัวโทสะนะให้รู้ไปว่ากําลังเส็งอยู่เห็นความเซ็งเป็นสิ่งที่แตกต่อมการรู้เวทนาต้องก็งงแยกนะกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาจิตเนี่ยแยกกัน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 เออต้องอย่างงั้นแหละที่เราดูไปต้องตาเราเหลือไปมอต้นมาใจมันไหลแหวะไปอยู่ไปแล้วกลับมาจังหะทีกลับมาเนี่ยกายกับใจหรือภายนอกไร้น้ำหนักอ่ไร้น้ำหนักไร้น้ำหนักหมดแต่ใจเรามีน้ำหนักไหมเบามากคือจริงๆแล้วไร้น้ำหนักนะข้างนอกก็ว่างเปล่าข้างในก็ว่างเปล่าชั่วขณะเดี๋ยวก็ปรุงใหม่ก็เกิดใหม่ก็มีน้าหนักใหม่ ก็ดีแล้วดูล้พอดีไปเรียนถามอาจารย์สุลวราสุรวับอกเรียนถามนก็ดีแล้วดีแล้วทำถูกแล้วแล้วบางทีชอบมีเสียงภาพในหัวช่วยไม่ได้มันต้องภาคมันยังภาคคุ้นเคยที่จะภาคในนอีหน่อยไม่ภาคแต่นานนะกว่าจะเลิกภาคเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดสิเลมนมากหรือเกินอยนาา้าเไรก็ไ เ, เราเราไม่ได้ใช้สติอย่างเดียวเริ่มต้นเลยมีศีลห้าไว้ก่อนเห็นัหมทาความสงบใจเข้ามาบ้างแล้วก็มาเจริญสัญญามีเจริญสติเจริญปัญญาคอยคอยรู้ตัวเองไปเรียนรู้ตัวเองไปลาพังสมาธิอย่างเดียวก็ขมไม่ชัว่วคราวสติอันเดียวแหละพอแล้วให้มันมีเถอสติยากที่สุดเลยนะว่าจะเกิดสติคนหนึ่งคนหนึ่งนะยากนะ อย่างคุณนุ่นสติเขาเกิดละ่่แล้วไม่ไม่ใช่รู้ที่ร่างกายสติตัวจริงนะมันเกิดขึ้นเองเรางั้นเราไม่ได้จงใจว่าจะรู้กายหรือรู้ใจมันรู้กายก็ได้รู้ใจก็ได้อย่างกอนนี้ลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมเมื่อไรลืมตัวเองก็เรียกว่าขาดสติเมื่มอไร่ไม่ลืมตัวเองก็เรียกว่ามีสติลืมตัวเองอีกแล้วรู้สึกไหม นี่หัดรู้ตรงที่ลืมไปหัดรู้ตรงที่ผิดนะแล้วมันถูกเองเวลามีสติมงการมีใจมันจะมาเพ่งสั่งลมหายใจคือนี้เวลาเราเผลอไปเนี่ยเป็นอกุศลเวลารู้ว่าเผลอเนี่ยตรงนี้มีสติเป็นกุศลแล้วถัดจากนะั้นอกุศลตัวใหม่เกิดเรากลัวว่าจะหลงไปเราก็มาเพ่งไว้แต<ะ>นะก่อนไม่เป็นนะครับแต่ว่าเพิ่งมาเป็นสองสวันหลักๆให้รู้ทันไปว่าใจเป็นเพ่ง ใจเป็นของบังคับ ไ, ไม่ได้ไม่ได้ฝึกไม่ให้เพ่งนะไม่ต้องแก้ไม่ต้องแก้ให้รู้ลูกเดียวรู้ด้วยใจที่เป็นกลางใจไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบนะรู้ทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางง่ายง่าวันี่เส็จจะรู้รู้ทางแต่ว่าเพ่งไมดูไม่ัไม่เป็นไรดูไปเท่าที่ดูได้ค่อยรู้ไปทีแรกมันรู้ อย่างเผลอไปมันเป็นอกุศลรู้ไวๆดีแล้วแต่เพ่งไม่ใช่อกุศลเพ่งไว้มีสมรรถะดีเหมือนกันแต่ดีแบบสมรรถเพราะงั้นไม่ต้องรีบร้อนอะไรมันไปนเพ่งรู้ว่าไปเพ่งแต่ถ้าเผลอนี่ไม่ดีเธอเป็นอกุศลรู้ไวๆยิ่งดี อย่าไจงใจทำกันแล้วกันก็ให้ร่างกายมันทำไปเราเป็นคนดูดนี่นแหละนี่คือสติสติรูกกร้กายจ<ป>ะ <c oughs> ให้ร่างกายทำงานแล้วเราคอยดูเขเป็นี่บรใช่สติสติรู้กายและกา ย, ยานุปษษัสสนา ในเห็นการณ์เคลื่อนไหวไปกู้เหยียดเลี้ยวซ้ายลายขวาไปได้แล้วไม่ใช่ตัวเราทำถูกแล้วนะทำถูกวขั้นสอนเนี่ยผมจะรู้ช้ามากยกตัวอย่างอย่างขับรถปากน้าน้องไปปากเข้าสอนนี่เราไม่ควรจัไม่คือเราเราบังคับให้สติเกิดไม่ได้แต่ว่ายังไม่มีแต่หน้าที่เราก็คือรู้ให้เร็วขึ้นเร็วขึ้น ถ้าจิตมันเคยรู้นะมันก็จะรู้เร็วขึ้นคอยดูสภาวะไปเรื่อยๆซ้อมทุกวันนะเช่นหัดพุทโธหัดหายใจไปแล้วก็ซ้อมดูสภาวะไปหายใจไปแล้วจิตหนีไปก็รู้จิตเสพมิ่งก็รู้เชวลาทำงานนี่จะไม่ได้ไม่ได้สิเลานั่งนั่งประชุมไม่ได้ไม่ได้เพ่าเกิดอะไรขึ้นเลย่ห้เรามันมีอะไรแปลกปลอมแล้วก็ค่อยรู้มันรู้เองเช่นมันโมโหแล้วค่อยรู้ จิตมันมืกับปลดตัวมมาแล้วก็จิตมันก็แย่งสายเปิดบานแล้ก็ดูไปมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทํางานของมันเองดูเพื่อตรงนี้นะไม่ใช่เพื่อให้มันเบิกบานดูให้เห็นเลยมันทํางานของมันทั้งวันทั้งคืนน่ะเดี๋ยวสุกเดี๋ยวทุกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเอาแน่ไม่ได้ดูให้เห็นแค่นี้ถึงจะละสัตยาติทิฏฐิได้ถ้าคิดว่าจะบังคับให้ได้นะมันเจะทำสมถะนานไปนานไปจะรู้สึกว่าจิตเป็นของบังคับได้ เห็นผิดหักเบีบเราไม่ได้บังคับจิตมันก็มันนั่นแหละรู้สึกไหมมันไม่ใช่ตัวเรามันทางานได้เองนั่นแหละดีแล้วดูให้เห็นว่ามันทางานได้เองมันไม่ใช่ตัวเรานี่ลูกสาวมาจากกุงเกงเอเออคเวลาเรามองมองหาับมาที่ตัวเราว่าเราประจับแล้วก็ขอการเคลืนการเอนม จะรู้แล้วเราก็จะดูที่ตรงนี้เปกัดจมอยู่หรือเปล่าคะหรือว่ า, า, าวทำหเปล่าถ้าเราจมใจไปอยู่ยนี้ได้สมถะได้ความสงบแล้วคว ร, นะควรทำถ้าทำก็ดีดีกว่าไม่ทำนะแต่ว่าในชีวิตจะจําบันเนี่ยให้คอยรู้ทันใจตัวเองไหมเช่นคนนี้เขาชมเราใจเราพองเลยเรารู้คนนี้ว่าเราใจเราเดือดขึ้นมาแล้วเราไปรู้ไปดูใจส่วนใจเป็นจับนิ่งๆ น, นะได้แต่สมถะใจเฉยๆ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 ดูบ่อยๆไงเราจะจําอมะได้เพราะเราเห็นอมะบ่อยเราอยากให้สติเกิดจําสภาวะได้ก็ต้องดูบ่อยๆกายานุปัสสนาแปลว่ารูกายเนืองเนืองรู้บ่อยๆเห็นไหมจิตตานุปัสสนาดูจิตเนืองเนืองรูบ่อยๆนรู้ไปอย่างที่มันเป็นไม่ใช่คิดเอานะยังไม่เริ่มนิสัยช่างคิดมองไปรู้ว่า คิดเนี่ยมันมันจะบางๆใช่มันไม่จริงจังนะเป็นภาพลวงตาคิดๆเที่ยมันลดการกระทำลดการกระออยังไม่หมดนะดูไ่อีก ไม่ต้องถือมนแต่ว่าพี่กอาจจะถเพราะว่าี่ปที่ให้ว่าเวลาทรู้เนี่ยเหนว่ามันมีการท่เลยไม่ต้องปุ๊บมันก็เหนกับา้งแล้วเหอนเหมือนไม่มีอะไรที่อนเหมือนในใจเราคือแต่ว่าพเห็นแล้วไม่เปนไม่ใช่ไง่อเหแค่จบลงแค่เห็นนั่นแหละรู้แล้วจบลงแค่รู้นั่นแหะไม่ใช่ทาอะไรต่อแต่ว่าจิตมันจะทาต่อของมนันเองมันต่อไปอีกก็รู้ไปอีก อย่าจงใจกลับมานะแค่รู้ว่าคิดไปแล้วแค่นั้นรู้สึกตัวเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าจงใจกลับมาเนี่ยลงทั้งใหม่ละไม่ได้ทําอะไรนั่งดูไปใจมันจะหนีไปคิดห้ามันไม่ได้เราดูเพื่อให้เห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเหรอกมันทํางานของมันเองมันไม่ใช่ตัวเรามีสุขไมคือว่าถ้าเราระหว่างขับรถไปแล้วเราคิดทีเรารู้สึกเราสุขมีความสไหมันจะดับไปเลยแล้วก็มันก็คิดเรื่องใหม่ เดี๋ยวมันก็คิดใหม่ไม่ใช่ไม่คิดนะไม่ได้ฝึกกันไม่คิดนะ<ฮ>ต้องคิดนะไงพูฟันตอนนี้ตื่นตื่นขึ้นมาแล้วครับ <c oughs> ไม่หลับแล้วแลก็รู้สึกไม่ประคองเหมือนเมื่อกี้แลยครับแต่ว่ายังตืนเต้นดูไปตื่นเต้นต้องทําอะไรดูไปเรื่รอยๆเมื่อไงเวลาดูไป นั่นแหละดีให้คอยรู้ทันว่าใจนีไปละวใจเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ดูเพื่อไม่ให้ไปนะดูแล้วใจหนีไปก็รู้ใจเป็นเพ่งอยู่ที่ลบก็รู้ใจเป็นยังไงก็รู้อเออนั่นแหละดี